ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่23พระสุตันตปิฎกอังคุตรนิกายสัตตกะอัตก ะ, กะนวกะนิบาต สุตันตปิฎกอังคุตรนิกายสัตตกนิบาทขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปันนาฏหนึ่งธนวักหมวดว่าด้วยอริยสัพหนึ่งปฐมมปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักสูตรที่หนึ่งเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้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 ภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ประการย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมเจ็ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มุ่งลาบ 2. เป็นผู้มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้ไม่มีหิริความอายบาปห เป็นผู้ไม่มีโอดตะปะความกลัวบาป 6. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่ว 7. เป็นมิจฉาทิฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการนี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจประการยอมเป็นที่รักเป็นที่พอใจ เป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายทำเจ็ดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มุ่งลาบ 2. เป็นผู้ไม่มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้ไม่มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้มีหิริ 5. เป็นผู้มีโอตตปะ 6. เป็นผู้มากน้อยเ็ 7. เป็นสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจบประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายปฐมมปิยสูตรที่หนึ่งจบ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 2. เป็นผู้มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้ไม่มีหิริ 5. เป็นผู้ไม่มีโอตตะปะก 6. เป็นผู้มีความริษยา 7. เ, เป็นผู้มีความตรณีภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเประการ น, นี้แลย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นที่เคารพ และไม่เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจตประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมเจตประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่มุ่งลาบ 2. เป็นผู้ไม่มุ่งสักการะ 3. เป็นผู้ไม่มุ่งชื่อเสียง 4. เป็นผู้มีหิริ 5. เป็นผู้มีโอตตะปะ 6. เป็นผู้ไม่มีความริษยา 7. เป็นผู้ไม่มีความตรนีภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมเจ็ประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย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 อารามของอนาถบินิกาเศรษฐีละถึงภิกษุทั้งหลายภะละกาลังเจประการนี้ภะละเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาภะละกาลังคือศรัทธา 2. วิริยระภะละกาลังคือวิริยะ 3. หิริภะละกาลังคือหิริ 4. โอตตะปะภะละกาลังคือโอตตปะ 5. สติภละกำลังคือสติ 6. สมาธิภละกำลังคือสมาธิ 7. ปัญญาภละกำลังคือปัญญาภิกษุทั้งหลายภละเจประการนี้แหลภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีภละเจประการนี้คือสัทธาภละวิริยะภละขีริภละโอตปะภละสติภละสมาธิภละ และปัญญาพละย่อมอยู่อย่างเป็นสุขเลือกเฟ้นทาโดยแยบคายเห็นแจ้งอัดด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีได้เหมือนความดับไปแห่งประทีปฉะนั้นสังคิตตพละสูตรที่สาจบ 4. วิทธะพละสูตรว่าด้วยพละโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายพละเจ็ดประการนี้พละเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาพละ 2. วิริยะพละ 3. หิริพละ 4. โอตตปะพละ 5. สติพละ 6. สมาธิพละ 7. ปัญญาพละ ศรัทธาพละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอาหารหันตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบละถึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาพละ วิริยภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่น้เรียกว่าวิริยภละหิริภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริคือละอายต่อกายยตุจิริก วจีทุจริตมโนโทุจริตและอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าขิริภะโอต ป, ปะภะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอต ป, ปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าโอต ป, ปะภะ สติภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งเราลึกถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้นี้เรียกว่าสติภละสมาธิภละเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้สงัดจากรามละถึงบรรลุจตุทชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสมาธิภะะปัญญาภะะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชแระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาภละภิกษุทั้งหลาย พละเจดประการนี้แหละภิกษุผู้เป็นบัณฑิตมีพระเจตประการนี้คือศรัทธาพละวิริยพระพละหิริพละโอตปะพละสติพระสมาธิพระและปัญญาพละย่อมอยู่อย่างเป็นสุขเลือกเฟ้นทาโดยแยบคายเห็นแจ้งอาจด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีได้เหมือนความดับไปแห่งประทีปฉะนั้น วิาตตะพละสูตรที่สจบ 5. สังขิตตะธนะสูตรว่าด้วยอริยทรัพย์โดยย่อภิกษุทั้งหลายทรับเจ็ดประการนี้ทรับเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. สศรัทธาธนะซับคือศรัทธา 2. สศีลธนะซับคือศีลสหิริธนะซับคือหิริ 4. โอตตะปะธนะซับคือโอตตะปะ 5. สุตธนะซับคือสุตะ 6. จาคคธนะซับคือจาคะ 7. ปัญญาธนะซับคือปัญญาภิกษุทั้งหลาย ทราบเจตประการนี้แลผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทราบเจตประการนี้คือศรัทธาธนะสีลธนะหิริธนะโอตปะธนะสุตธนะจาคธนะและปัญญาธนะบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญา เมื่อเราลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมสังคิตะทะนะสูตรที่หจบ 6. วิทตะธนะสูตรว่าด้วย อรีย์ทรย์โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายทราบเจ็ประการนี้ทราบเจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. ศสัท ธ, ธาธนะ 2. สีลธนะ 3. หิริธนะ 4. โอตปะธนะ 5. สุตะธนะ 6. จาคธนะ 7. ปัญญาธนะสัท ธ, ธาธนะเป็นอย่างไร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 คืออรียสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์และถึงเป็นผู้เว้นข่าจากการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลธนะหิริธนะเป็นอย่างไรคืออรียสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีหิริคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ละอายต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าหิริธนะโอต ป, ปะธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีโอต ป, ปะคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจัจจทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการประกอบบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าโอตปะธนะสุตตะธนะเป็นอย่างไร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 จาระธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามือชุม่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่ครองเรือนนี้เรียกว่าจาคะธนะปัญญาธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญา คือประกอบด้วยปัญญาและถึงให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาธนะภิกษุทั้งหลายทรับเจ็ดประการนี้แหลผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทรับเจ็ดประการนี้คือศรัทธาธนะศีลธนะหิริธนะโอตปะธนะสุตธนะจาคะธน ะ, ะธนะและปัญญาธนะ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 เอุคสสูตรว่าด้วยมหาอัมมาชื่ออุคะครั้งนั้นราชมาอัมมาชื่ออุคะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอาศ จ, จ, จริงไม่เคยปรากฏที่มิคาระเศรษฐีผู้เป็นหลานของโรหณะเศรษฐีนี้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มากมีโภกทรัพย์มากถึงเพียงนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุคคะมิคาระเศรษฐีผู้เป็นหลานของโรหณะเศรษฐีเป็นผู้มั่งคั่งเพียงไรมีทรัพย์มากเท่าไรมีโภกทรัพย์มากเท่าไรอุคคะมหาอมากกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขามีทองแสนหนึ่งไม่จำต้องกล่าวถึงเงินพระผู้มีพระภาคตรัสว่า โอเคซับนั้นมีอยู่จริงเราไม่ได้กล่าวว่าทรัพย์นั้นไม่มีแต่ทรัพย์นั้นแลเป็นของทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รักโอเคะทรับเจตประการนี้แหลเป็นของไม่ทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รักทรับเจตประการอะไรบ้างคือ 1. นศรัทธาธนะะสองศีลธนนะ 3. หิริธนะ 4. โอตปะธนะ 5. สุตตนะะธนะ 6. จาคะธนะ 7. ปบัญญาธนะออขะทรัพย์เจประการนี้แหล่เป็นของไม่ทั่วไปแก่ไฟน้ำพระราชาโจรและทายาทผู้ไม่เป็นที่รักผู้ใดจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามมีทรัพย์เจประการนี้คือสัทธาธนะสีละธนะ ขิรธนะโอตปะธนะสุตตะธนะจาคะธนะและปัญญาธนะผู้นั้นแหลเป็นคนมีทรัพย์มากใครๆไม่พึงชนะได้ทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมอุคสูที่เจ็จบ 8. สัญญชนะสูตรว่าด้วยสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายสังโยชน์กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพเจประการนี้สังโยชน์เจประการอะไรบ้างคือ 1. อนุนัยสังโยชน์สังโยชน์คือความยินดี 2. ปฏิกะสังโยชน์สังโยชน์คือความยินร้าย 3. ทิฏฐิสังโยชน์สังโยชน์คือความเห็นผิด 4. วิจิกิจฉาสังโยชน์สังโยชน์คือความลังเลสงสัย 5. มานะสังโยชน์สังโยชน์คือความถือตัว 6. ภวะราคะสังโยชน์ สังโยชน์คือความติดใจในภพ 7. เจ็ดอวิชชาสังโยชน์สังโยชน์คือความไม่รู้แจ้งพิกษุทั้งหลายสังโยชน์เจประการนี้แหละสัญญชนะสูตรที่8จบเก้าปหาณะสูตรว่าด้วยการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละสังโยชน์พิษุทั้งหลายพิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เจประการภิกษุอยู่ประพฤทธพระมจร์เพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เจประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุอยู่ประพฤทธพระมจร์เพื่อละเพื่อตัดอนุนิยสังโยชน์ 2. ละถึงปฏิฆะสังโยชน์ 3. ทิฏฐิสังโยชน์ 4. วิจิ ก, กิจชาสังโยชน์ 5. มานะสังโยชน์6 ภาวะราคะสังโยชน์เจ็ดพิสยู่ประพุทธมรรจันเพื่อละเพื่อตัดอวิชชาสังโยชน์พิษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพุทธมรรจันเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เจ็ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุและอนุนิยสังโยชน์ได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้และปฏิฆะสังโยชน์ได้เด็ดขาดและถึงทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจชาสังโยชน์มาณะสังโยชน์ภวะราคะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์ได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เมื่อนั้นเราจึงเรียกภิกษุนี้ว่า ตัดตันหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุก์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบปหาณสูตรที่9จบ 10. มชัชยริยสูตรว่าด้วยมชัชยรียะภิกษุทั้งหลายสังโยชน์เจตประการนี้สังโยชน์เจประการอะไรบ้างคือ 1. อนุนยะสังโยชน์ 2. ปฏิฆะสังโยชน์ สทิฏฐิสังโยชน์สวิจิกิชาสังโยชน์หามานะสังโยชน์หอิสาสังโยชน์สังโยชน์คือความริษยา 7. มัชิริยสังโยชน์สังโยชน์คือความตรณีภิกษุทั้งหลายสังโยชน์เจประการ น, นี้แลมัชิริยสูตรที่10จบธนวัครที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมปิยสูตร 2. ทุติยปิยสูตร 3. สังขิตะพละสูตร 4. วิถตะพละสูตร 5. สังขิตะธนสูตร 6. วิถตะธนสูตร 7. อุคขสูตร 8. สัญโยชนะสูตร 9. ปหาณสูตร 10. มัชิริยะสูตร 2. ส อ, อนุสยยวักหมวดว่าด้วยอนุใสหนึ่งปฐมมอนุสยะสูตรว่าด้วยอนุัยสูตรที่หนึ่งพิสูทั้งหลาย อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานเจ็ประการนี้อนุสัยเจประการอะไรบ้างคือ 1. การมราคาอนุสัยอนุสัยคือความกำหนัดในกาม 2. ปฏิฆาอนุสัยอนุสัยคือความยินร้าย 3. ทิฏฐานุสัยอนุสัยคือความเห็นผิด 4. วิจิกิจชานุสัยอนุสัยคือความลังเลสงสัย หมานานุสัยอนุสัยคือความถือตัว 6. ภวะราคานุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพ 7. เจ็ดอวิชานุัยอนุสัยคือความไม่รู้แจ้งภิกษุทั้งหลายอนุใสเจ็ดประการ น, นี้แหลปฐมมานุสยสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยอนุสยสูตรว่าด้วย อนุสัยสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุใส่เจ็ประการภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุใส่เจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดกามราคาอนุใส่ 2. อละถึงปฏิคานุสัย 3. ทิฏฐานุสัย สีวิจิกิจชานุสัย 5. มานานุสสย 6. ภวะราคานุสัย 7. ภิกษุอยู่ประพฤติพรมจรเพื่อละเพื่อตัดอวิชานุัยภิกษุทั้งหลายภิกษุอยู่ประพุทธพรมจรเพื่อละเพื่อตัดอนุสัสเจ็ประการ น, นี้แลภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุละกามราคานุัยไดเด็ดขาดตัดรากถอนโคน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 เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เมื่อ น, นั้นภิกษุนี้เราจึงเรียกว่าตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบทุติยอนุสยะสูตรที่สองจบ สูว่าด้วยตระกูลที่พิกษุไม่ควรเข้าไปหาและควรเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เจประการพริกษุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้องค์7ประการอะไรบ้างคือตระกูล 1. ต้อนรับด้วยความไม่เต็มใจ 2. ไหว้ด้วยความไม่เต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความไม่เต็มใจ 4. ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากแต่ถวายน้อย 6. มีของประณีแต่ถวายของเศร้ามอง 7. ถวายโดยไม่เคารพไม่ถวายโดยเคารพภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เจ็ประการนี้แลภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาก็ไม่ควรเข้าไปหา หรือเข้าไปหาแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์7ประการภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้องค์7ประการอะไรบ้างคือตระกูล 1. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ 2. ไหว้ด้วยความเต็มใจ 3. ให้อาสนะด้วยความเต็มใจ 4. ไม่ปกปิดของที่มีอยู่ 5. มีของมากก็ถวายมาก 6. มีของปราณีก็ถวายของปราณีเ 7. ถวายโดยเคารพไม่ถวายโดยไม่เคารพภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์7ประการนี้แลภิกษุยังไม่เคยเข้าไปหาควรเข้าไปหาหรือเข้าไปหาแล้วควรนั่งใกล้กุลสูตรที่สจบส ปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบนอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งท่านผู้เป็นอุปโตภาคาวิมุต 2. ท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตต์ท่านผู้เป็นกายศัก ข, ขีสีท่านผู้เป็นทิฏฐิปั ต, ตะ 5. ท่านผู้เป็นสัท ธ, ธาวิมุตต์ท่านผู้เป็นธรรมานุสารี 7. ท่านผู้เป็นสัทานุสารีภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แหลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณาควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบนอันยอดเยี่ยมของโลกปุคละสูตรที่สจบ 5. อุทกูประมาสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำ ทิ่สุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำาจ็ดจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลเจ็ดจำพวกหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้จมแล้วครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเอง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีก 3. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่ 4. บุคคลบางคนในโลกนี้ ผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดู 5. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไป 6. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่ง 7. บุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกบุคคลผู้จมลงครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายดำโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้จมลงครั้งเดียวก็ยังจมอยู่นั่นเองเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตปะดีมีวิริยดี มีปัญญาดีในคุณธรรมทั้งหลายแต่ศรัทธาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเสริมไปฝ่ายเดียวหิริของเขานั้นละถึงโอตตปะของเขานั้นวิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่คงอยู่กับที่ไม่เจริญเสริมไปฝ่ายเดียวภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วจมลงอีกเป็นอย่างนี้แล บุคคลผู้โผลขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผลขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในคุณสธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตปะดีมีวิรยิยดีมีปัญญาดีในคุณสธรรมทั้งหลายและศรัทธาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่หิริของเขานั้นละถึงโอตปะของเขานัน วิริยะของเขานั้นปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมไม่เจริญคงอยู่กับที่ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วหยุดอยู่เป็นอย่างนี้แหลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในคุณสมธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตปะดีมีวิริยะดี มีปัญญาดีในคุณธรรมทั้งหลายและเพราะสองโยศสามประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วเหลียวมองดูเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในคุณธรรมทั้งหลาย มีหิริดีมีโอตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบางเขาจึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปเป็นอย่างนี้แล บุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตประดีมีวิรยิยดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายและเพราะสังโยชน์เบื้องตามห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพชั้นสุทธาวาตนั้นไม่กลับมาจากโลกนั้น ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วได้ที่พึ่งเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วได้แก่มีศรัทธาดีในคุณสธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตปะดีมีวิรยิยดีมีปัญญาดีในคุสธรรมทั้งหลาย และเขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้โผล่ขึ้นแล้วข้ามไปถึงฝั่งเป็นผู้ลอยบาปอยู่บนบกเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เปรียบด้วยคนตกน้ำเจ็ดจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกอุทคุ ป, ปมาสูที่ห้าจบ อนิจจานุปัสสีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง มีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ตั้งใจมั่นหนึ่งเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งผู้ควรแก่ของที่เขานามาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกสองบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เขามีปัญญาอย่างรู้ความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิตไม่ก่อนไม่หลังกัน ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สองผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 3. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยงรู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่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 ละถึงจึงเป็นอุปหัจจปริณิพายีละถึง 5. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นอสังขาระปริณิพายี 6. บุคคลบางคนในโลกนี้จึงเป็นสังขาระปริณิพายี 7. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงมีสัญญาว่าไม่เที่ยง รู้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเขาจึงเป็นอุตทางโสตะอคนิทัคามีภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่เจ็ผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาควรแก่การทำอัญเชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แหละเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอ น, นิจจานุปัสสีสูตรที่หจบเจ็ดทุกขานุปัสสีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ ภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์มีสัญญาว่าเป็นทุกข์รู้ว่าเป็นทุกข์ในสังขารทั้งปวงอยู่ละถึงทุกขานุ ป, ปัสสีสูที่เจ็ดจบ อนัตตานุปัสสีสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ครองที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตามีสัญญาว่าเป็นอนัตตา รู้ว่าเป็นอนัตตาในสังขารทั้งปวงอยู่ละถึงอนัตตานุปัสสีสูตรที่8จบ